วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25หมิถุนายนพุทธศักราช 2,566 ้าเป็นวันพระวันธรรมสวนรวันฟังธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้พุทธศาสนิกชน ผู้ฝ่ายทรรมฝ่ายความสุขความเจริญของจิตใจได้หยุดภารกิจการงานต่างๆไว้หนึ่งวันเพื่อที่จะได้มาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นมงคลอย่างยิ่ง คำว่ามงคลก็คือเป็นประโยชน์เป็นสุขเป็นความเจริญแก่จิตใจการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการดูแผนที่เวลาที่เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆที่เราไม่รู้จักทางเราก็จะต้องกางแผนที่ดู เพื่อที่จะได้รู้ทิศทางที่เราจะไปจะได้ไม่ได้หลงทางกันอย่างสมัยปัจจุบันนี้เราก็มีแผนที่แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีติดไว้ในเครื่องมือถือหรือในเครื่องรถยนต์ที่เรียกว่าระบบ GPS ระบบ GPS นี้ก็คือแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ เวลาเราอยากจะไปสถานที่ใดเราก็บอกกับเครื่องแล้วเครื่องก็จะบอกทิศ ท, ทางที่เราจะต้องเดินทางไปขณะที่เราเดินทางไปเราก็คอยตรวจดูว่าเรากำลังอยู่ในทางที่แผนที่เขาบอกไว้หรือไม่เพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทาง ชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกับการเดินทางอย่างนทางที่เราไปนี้เป็นทางที่เราไม่รู้จักเรายัางไปไม่ถึงสถานที่ที่เราอยากจะไปเราก็เลยต้องอาศัยแผนที่เลือกอสัยคนนำทางคนนำทางหรือแผนที่ที่จะนําพาชีวิตของเรา ให้ไปสู่ความสุขความเจริญให้ไปสู่ความอดทนจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คือพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เองพระพุทธรธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกเป็นผู้จะสั่งสอนธรรมะให้กับผู้ที่อยากจะรู้ทิศทางของชีวิต ว่าจะดำเนินชีวิต 1970. ไปทิศทางใดเพื่อนำมาซึ่งความสุขความเจริญนำมาซึ่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆการฟังธรรมนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พระพ euh. ุทธเจ้าทรงเห็นความสำคัญและทรงบัญญัติวันพุธขึ้นวันพระขึ้นมา เรียกว่าวันธรรมสวานะคำว่าธรรมสวานะก็คือการฟังธรรมซึ่งเป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคลสามสิบแปดข้อที่ได้ทรงแสดงไว้ว่ากาเลนะธรรมสวนาังเอตัมมังกาลมุตตมังมการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง การฟังธรรมตามเวลาก็คือวันพระฟังธรรมในวันพระกันอย่างน้อยอาทิตย์หนึง่งเราก็ควรจะฟังธรรมกันสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ตรวจดูทิศทางของชีวิตของเราว่าเราดําเนินไปในชีิตทางที่ถูกต้องหรือไม่ดําเนินไปสู่ความสุขความเจริญของจิตใจหรือไม่ถ้าเราไม่มีแผนที่ เราหรือไม่ดูแผนที่เวลาที่เราออกนอกลู่นอกทางไปเราก็อาจจะไม่รู้เราอาจจะคิดว่าเรายังดำเนินไปสู่ทิศทางที่นำไปสู่ความสุขความเจริญแต่ความจริงอาจจะกำลังดำเนินไปสู่ความหายนะันตความเสื่อมเสียต่างๆ<ม> น, น, นี่แหละคือประโยชน์ของการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลา พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นยุคที่ที่ดีที่สะดวกต่อการฟังธรรมเพราะเดี๋ยวนี้เราสามารถฟังธรรมได้ทุกแห่งทุกคนอยู่ที่ไหนเราก็ฟังธรรมได้เพราะเรามีสื่อเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือ หรือหนังสือธรรมะที่เราสามารถพกพาไปกับเราได้ทุกแห่งทุกคนไม่เหมือนสมัยโบราณสมัยพุทธกาลไม่มีเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้จ mm hmm. ึงจาเป็นต้องไปวัดกันถึงจะได้ฟังเทศฟังธรรมกันและก็ต้องมีเวลาว่างคือต้องหยุดภารกิจการงานต่างๆถึงจะสามารถ ไปวัดเพื่อไปฟังเทศฟังธรรมได้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้เราสามารถฟังธรรมได้ทุกวัน<ม>การฟังธรรมมากเท่าไหร่นี้ไม่มีพิษไม่มีภัยต่อผู้ฟัง<ม>การฟังธรรมนี้มีแต่คนมีแต่ประโยชน์<ม>จะได้ให้ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องว่าวิธีการดำเนินชีวิต ที่จะนำไปสู่ความสุขนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง mm hmm. เรื่องของการมีความสุขในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงความสุขสองรูปแบบด้วยกัน mm hmm. ความสุขรูปแบบหนึ่งเรียกว่าความสุขของคารวาดผู้ครองเรือน mm hmm. ความสุขในรูปแบบที่สอง เรียกว่าความสุขของนักบวชของบรรพชิตเป็นความสุขที่คนะระดับกันความสุขระดับของคารวะผู้ครองเรือนี้เป็นความสุขระดับเริ่มต้นระดับต่ํากว่าระดับความสุขของบรรพชิตนักบวชแต่ทุกคนก็สามารถเลือกได้ ว่าต้องการที่จะหาความสุขแบบไหนเพราะว่าแต่ละคนนี้อาจจะมีอดีตที่ผ่านมาไม่เหมือนกันอดีตชาติอาจจะเคยบําเพ็ญเป็นนักบวชมาแล้วก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเวลามาเกิดก็มักจะไปหาความสุขแบบนักบวช เือไปบวชเป็นบนรรพชิตเป็นภิกษุภิกษุณีหรือแม่ชีส่วนท่านที่ในอดีตชาติยังไม่เคยดำบาเพ็ญความสุขในระดับของบรรพชิตของนักบวชก็อาจจะต้องหาความสุขแบบคอรวาสผู้ครองเรือนไม่ว่าจะเป็นความสุขแบบไหน ก็มีเหตุที่จะต้องศึกษาที่จะต้องรู้เพื่อที่จะได้ทำให้เกิดความสุขนี้ขึ้นมาความสุขของผู้คองเรือนหรือคารว่า น, นี้เกิดขึ้นได้ด้วยสี่สี่ประการด้วยกันประการที่หนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการได้ทรัพย์หรือมีทรัพย์ ความสุขแบบที่สองคือความสุขประการที่สองของผู้ครองเรือนก็คือการได้ใช้ทรัพย์ที่มีอยู่และข้อที่สามความสุขของผู้คลองเรือนอยู่ที่การไม่มีหนี้สินและข้อที่สี่ความสุขของผู้คลองเรือนอยู่ที่การกระทําที่ไม่เกิดโทษ คือเป็นการกระทํมที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนั่นเองถ้าเราอยู่ในกรอบของกฎหมายของศีลธรรมโทษก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราประพฤติผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายโทษก็จะเกิดขึ้นกับเราซึ่งโทษก็คือความทุกนี้เองแทนที่เราจะมีความสุขเราก็อาจจะกลับต้องมีความทุกข์แทน เราต้องมีความระมัดระวังในการอยู่แบบคารวะเพื่อไม่ให้เกิดโทษ<ม>ต้องสังเกตดูการกระทำของเราว่าอยู่ในกรอบของศีลธรรมหรือไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายหรือไม่มนี่คือความสุขของผู้คลองเรือน<ม>เกิดขึ้นได้สี่สี่ เหตุด้วยกันเหตุที่หน uh ึ่งความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์พวกเราคงไม่ปฏิเสธกันเวลาที่เราได้ทรัพย์กันนี้เรามีความสุขกันหรือไม่เช่นวันสิ้นเดือนเวลาที่เราได้รับเงินเดือนหรือถ้าเราทามาค้าขายแล้วเราสามารถขายของได้มาก ได้รายได้เข้ามามากเราก็จะเกิดมีความรู้สึกมีความสุขการที่จะมีทรัพย์หรือการที่จะได้ทรัพย์มานี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่ถูกต้องที่ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดโทษก็มีวิธีที่ไม่ถูกต้องที่เกิดโทษก็มี ดั้นเราก็ต้องระมัดระวังว่าการที่เราจะได้ทรัพย์มาหรือการมีทรัพย์นี้เกิดขึ้นด้วยวิธีการใดถ้าเกิดด้วยวิธีการที่เกิดจากการกระทําที่ไม่ถูกต้องการกระทําที่เป็นโทษคือการกระทําที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอันนี้ถึงแม้ว่าจะได้ทรัพย์มาหรือจะมีทรัพย์ จากการกระทาเหล่านี้ก <assim. S 1> ็ไม่ถือว่าเป็นความสุขเพราะว่ามันจะมีโทษมีความทุกข์ตามมานั่นเองเช่นถ้าเราไปหาทรัพย์มาด้วยการช่อโกงด้วยการไปลักขโมยไปพ้นไปจี้อย่างนี้การหามาแบบนี้ถึงแม้จะได้ทรัพย์มา ถึงเมอจะได้รับความสุขจากการได้ได้ทรัพย์หรือมีทรัพย์แต่มันก็มีโทษมีทุกข์ติดตามมาด้วยซึ่งก็ไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะต้องไปใช้โทษต้องไปรับความทุกข์ที่เกิดจากการหาทรัพย์ที่ไม่ไม่ถูกต้องมาวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่เราไม่ควรกระทำกัน ถ้าเราอยากจะมีทรัพย์หรืออยากจะได้ทรัพย์ที่ไม่มีโทษไม่มีทุกข์ตามมาเราก็ต้องทามาหากินด้วยอาชีพที่สุดจริตไม่ผิดศีลทำไม่ผิดกฎหมายอย่าไปทำอาชีพที่ที่ผิดศีลผิดกฎหมายถ้าทำอาชีพที่สุดจริญ เงินทองที่เราได้มาก็จะไม่มีโทษติดมาด้วยไม่มีความทุกข์ติดมาด้วยมีวิธีที่หนึ่งของการได้ทรัพย์มาหรือมีทรัพย์มาวิธีที่สองก็เกิดจากการกระทำบุญของเราในอดีตชาติถ้าอดีตชาติเราได้เคยทำบุญมามากเวลาเรามาเกิดในชาตินี้ เรามักจะเกิดมาเกิดบุญกองเงินกองทองเลือเกิดแบบที่เวลาจะหากินทาหากินนี้ก็จะหามาได้อย่างง่ายดาย mm hmm. เหมือนส้นลมเหมือนผลไม้หล่นจากต้น mm hmm. ไม่ต้องดิ้นหลนยากลำบาก mm hmm. ทำอะไรก็ค้าขึ้น ข, ขายดีค้าขายทำ mm hmm. ม, มาค้าขึ้น อันนี้เป็นผลที่เกิดจากการที่เราได้ทำบุญมาในอดีตชาติ mm hmm. จึงทำให้เรามาเกิดบนกองเงินกองทอง mm hmm. เช่นมาเกิดเป็นลูกของเศรษฐี mm hmm. หรือถ้าเราไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีถ้าเราไปทำมาหากินก็จะสามารถร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย mm hmm. อย่างนี้เรียกว่า เป็นการได้ทรัพมาจากการกระทำบุญในอดีตดังในมงคลที่บอกว่าการได้กระทำบุญในอดีตมานี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะบุญที่เราได้ทำในอดีตนี้จะมาสนับสนุนให้ชีวิตของเราอยู่อย่างสุขสบายในปัจจุบันชาติ น, นี่ก็คือวิธีการของการ มีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาที่เป็นไม่มีโทษไม่มีทุกข์ไม่มีเรื่องมีราวตามมาเป็นวิธีที่ถูกต้องสำหรับการที่ผู้ครองเรือนจะมีความสุขไ ด, ได้ต้องได้ทรัพย์มาที่เป็นทรัพย์ที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นทรัพย์ที่ได้มาด้วยการกระทำผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม การทำผิดศีลธรรมเราอาจจะยังไม่ได้เห็นโทษในปัจจุบันก็ได้เพราะว่าทางกฎหมายเขาไม่ถือว่าผิดเช่นการทำมาทรอาชีพที่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้อาจจะต้องรอให้ตายไปก่อนถึงจะเกิด เกิดผลต่อผู้กระทาคือต่อจิตใจต่อดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วอันนี้ถ้าทำบาลด้วยการทรมาหากินเลี้ยงชีพนท่านบอกว่าเวลาตายไปดวงวิญญาณจะต้องไปเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าเราเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าผู้ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของพวกสัตว์เดรัจฉาน สัตว์ดเบลฉานเขาก็เลี้ยงชีพของเขาด้วยการฆ่าฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยกว่าเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นกันแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธนี้เราควรที่จะเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะท่านเห็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่จะเกิด ที่จะเกิดผลกับผู้กระทาก็คือจิตใจจิตใจที่เวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจก็จะเป็นดวงวิญญาณที่จะต้องถูกกฎแห่งกรรมนี้จัดการถ้าทามาหากินเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ไม่มีทางกฎหมายไม่ถือว่าผิดกฎหมาย เช่นร้านอาหารที่มีปลาสดของสดมาวางโชว์ในตู้แล้วก็เวลาที่ลูกค้าต้องการที่จะต้องการปลาตัวไหนก็บอกทางร้านทางร้านเขาก็จะจับตัวนั้นออกมาฆ่าให้ทําเป็นอาหารให้อันนี้เป็นบาปด้วยกันทั้งสองคนสั่งให้เขาทําก็บาป คนที่รับคำสั่งแล้วก็เป็นคนทาคือเป็นคนฆ่าก็บาปด้วยกันอันนี้แหละเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องในการเลี้ยงชีพถึงแม้เราจะไม่เห็นโทษในปัจจุบันเพราะเราเห็นแต่เพียงร่างกายของเราแต่เราไม่รู้ว่าใจของเรานี้มีกฎแห่งกรรมคอยตามคอยตามลงโทษอยู่ พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายหลังจากที่ได้ท่านได้ปฏิบัติธรรมในด้านจิตตภาวนาท่านจึงสามารถมองเห็นกฎแห่งกรรมได้กฎแห่งกรรมนี้แหละก็คือคือธรรมที่ท่านเห็นที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นกฎแห่งกรรมพระอริยบุคคลทุกระดับ จึงไม่มีการกระทำบาป ก, กันจะไม่กระทำบาป ก, กันโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเหตุใดก็ตามถึงแม้ว่าจะต้องอดอยากหรือตายไปเพราะอดอยากขาดแคลนไม่ได้มีอาหารรับประทานก็จะไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อมาเลี้ยงชีพของตนเองยอมตายดีกว่าอยู่อยู่แบบสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าอยู่แบบฆ่าผู้อื่นเพื่อเอา เพ่อเลงชีพตนเองเวลาตายไปใจก็ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปนั่นเองนี่คือเรื่องของการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาต้องระวังว่าความสุขนี้อ ย, อยู่ที่เหตุว่าเป็นเหตุแบบไหนถ้าเหตุได้ความสุขมาด้วยเหตุที่ไม่ดี มันจะมีโทษตามมาต่อไปคือการทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรมอย่างนี้เราไม่ควรมีกันไม่ควรมีทรัพย์แบบนี้เพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียมีทรัพย์อยู่อย่างเศรษฐีในภพนิชาตินี้แต่ตายไปจะต้องไปเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสู้อยู่แบบยากจนอดอยากถาดแค้ง มีกินบ้างไม่มีกินบ้างแต่ไม่ไม่ทำบาปไม่ทำผิดกฎหมายตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ดรืจราชาก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยอันนี้คือเรื่องของการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มาเป็นความสุขแบบหนึ่งแต่มันก็มีวิธีการที่ถูกหรือไม่ถูกที่เป็นโทษหรือไม่เป็นโทษ ้เราก็ต้องระมัดระวังในการที่เราจะมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มานี้ต้องอย่าให้ได้มาด้วยการกระทําที่เป็นโทษคือการกระทําผิดศีลละธรรมหรือผิดกฎหมายแล้วเราก็จะได้มีความสุขจากการมีทรัพย์โดยไม่มีโทษไม่มีทุกข์ตามมานี่คือประการที่หนึ่งของการเป็นผู้ครองเรือนของการที่จะมีความสุขแบบผู้คลองเรือน ต้องมีทรัพย์ต้องมีเงินทองไว้ใช้สอยจับจ่ายต้องมีอาชีพที่สุดจริตต้องทำมาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือถ้าเป็นบุญเก่าถ้าได้ทำบุญเก่ามาก็อาจจะไม่ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองเพราะจะได้มาเกิดบุญกองเงินกองทองหรือถ้าทำมาหากินก็จะได้กําไรได้ง่ายได้และรวดเร็วอันนี้คือ การมีความสุขข้อที่หนึ่งของผู้คลองเรือนคือการมีทรัพย์หรือคือการได้ทรัพย์มาข้อที่สองความสุขของผู้คลองเรือนก็คือการได้ใช้ทรัพย์ที่มีอยู่นั่นเองเวลาเรามีทรัพย์มีเงินมีทองแล้วเราก็อยากจะไปหาความสุขกันเราก็เอาเงินทองนี้ไปใช้กันเพื่อให้เกิดความสุข การใช้ทรัพย์เพื่อให้เกิดความสุขนี้ก็มีวิธีที่ที่ถูกและวิธีที่ไม่ถูกเหมือนกัน mm hmm. วิธีที่ถูกก็คือการใช้ทรัพย์เพื่อเป็นการดำรงชีพ mm hmm. ไปซื้อปัจจัยสี่ mm hmm. ไปซื้อปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนึง mm ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเพราะนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดูร่างกาย ให้ร่างกายได้อยู่อย่างปกติสุขถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่ข้อใดข้อหนึ่งร่างกายก็อาจจะต้องเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาและถ้ า, าขาดไปนานๆหรือมากๆก็อาจจะทำให้เกิดถึงแก่ความตายได้ฉันั้นการที่เราเอาทรัพย์ที่เราได้มาหรือมีมานี้มาใช้ให้กับการเลี้ยงดูร่างกายของเรานี้ ก็ เ, เรียกว่าเป็นการใช้ทรัพย์ที่ถูกต้องที่จะทําให้เรามีความสุขเพราะเมื่อร่างกายมีความสุขสบายใจเราก็สุขสบายไปกับร่างกายด้วยอันนี้เป็นวิธีหนึ่งในการใช้ทรัพย์ที่จะทําให้เราเกิดความสุขวิธีใช้ทรัพย์อีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เรามีความสุขก็คือ ให้เราเก็บทรัพย์ส่วนหนึ่งเอาไว้สำรองไว้เพราะว่าอนาคตของเรานี่เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรรายได้ของเราจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆหรืออาจจะมีการสะดุดมีเหตุมีอะไรเช่นในยุคที่เรามีโรคระบาดโควิดีโรคโควิดทำให้เศรษฐกิจนี้ต้องหยุดชะงักไปหลายแห่งด้วยกัน พวกที่มีเงินออมเก็บไว้ก็จะไม่เดือดร้อนยังมีเงินที่จะมาช่วยสนับสนุนในการดำรงชีวิตให้อยู่อย่างสุขสบายได้แต่พวกที่ไม่ได้เก็บออมมาไว้มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดนี่ตวงนี้จะลำบากเพราะว่าเมื่อไม่มีรายได้ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอารายได้ที่ไหนมาจุนเจือ มาเลี้ยงดูร่างกายของตนดะงั้นการใช้ทรัพย์ที่ถูกต้องก็คือเราต้องใช้เก็บเอาไว้เอาไปฝากไว้ในธนาคารหรือเอาไปลงทุนในธุรกิจที่มั่นคงหรือซื้อพันธบัตรหรือซื้ออะไรต่างๆเพื่อที่เวลาที่เราไม่มีรายได้เข้ามาเราก็จะได้เอาสายทรัพย์ที่เราเก็บออกมาไว้มาช่วย จนเจือชีวิตของเราไม่ให้อยู่แบบอดอยากขาดแคลนให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายอันนี้ก็คือการใช้ซ้าที่จะทำให้เรามีความสุขเวลาเรามีเงินออมเก็บไว้นี่เราจะมีความนุ้สึกปล่นใจสบายใจถ้าเกิดเราจะต้องขาดรายได้ขึ้นมา เราก็ยังสามารถมีรายได้จากเงินออมที่เราเก็บเอาไว้นั่นเอง<ม>นี่คือการใช้ทรัพย์ก็คือการเก็บทรัพย์นี่แหละเรียกว่าเป็นการใช้ทรัพย์ที่ฉลาด<ม>และการใช้ทรัพย์ที่ฉลาดอีกข้อหนึ่งก็คือการลงทุนเพื่ออนาคตของเราคือเราคือจิตใจของเรานี้ยังต้องไปต่อถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพาน จิตใจเรายังต้องไปเกิดใหม่แล้วถ้าเรามีการลงทุนไว้สำหรับอนาคตคือการทำบุญทำทานนี่เรียกว่าเป็นการลงทุนไม่ได้เป็นการการสูญเสียเวลาเราทำบุญทำทานนี้เราอาจจะสูญเสียทรัพย์ที่เรามีอยู่ไปแต่ความจริงแล้วมันเป็นการลงทุนเป็นการเอาไปฝากไว้ในธนาคารบุญ เพื่อที่ถ้าเรายัางต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปในภพหน้าชาติหน้าถ้าเรายัางไปไม่ถึงนิพพานเราก็จะได้อาศัยเงินหรือบุญที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญนี้มาเลี้ยงดูเราอย่างที่เมื่อกี้ได้อธิบายให้ฟังสำหรับการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มาจากการที่ได้ทำบุญไว้ในชาติก่อนถ้าเราทำบุญไว้ในชาตินี้ เดี๋ยวเวลาเราตายไปไปเกิดในชาติหน้าเวลาเราไปเกิดเป็นมนุษย์บุญที่เราได้ทำนี้ก็จะได้มาสนับสนุนเรา<ม>ยกตัวอย่างแบบพระเวชสันดร น, นี่พระเวชสันดรท่านก็ทาบุญทาทานอย่างยิ่งใหญ่ยินดีที่จะให้ใครต้องการอะไรเดือดร้อนอะไรมาขอท่านก็จะยินดีเสียสละให้<ม>ความเสียสละของพระเวชสันดร น, นี้ ทำให้ท่านเวลาตายไปท่านได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วหลังจากที่ลงจากสวรรค์มาท่านก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นราชกุมารเป็นลูกของกษัตริย์มีทรัพย์สินมากมายกายกองมีประสาทสามฤดูมีที่อยู่สามสามแห่งด้วยกันไว้เปลี่ยนที่นี่ร้อนก็ย้ายไปที่ที่มันเย็น พอไปเจอ ท, ที่ที่ที่มีฝนตกก็ย้ายไปที่ที่ไม่มีฝนอย่างนี้เป็นตอนอ้นนี่คือการลงทุนสำหรับอนาคตของเราดันั้นการใช้ทรัพย์ของเราที่ฉลาดที่ไม่ที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ <c oughs> ก็คือเราต้องแบ่งทรัพย์ไว้สามส่วนด้วยกัน <c oughs> ส่วนหนึ่งก็เพื่อเอาไว้เลี้ยงดูร่างกายของเราให้อยู่อย่างสุขสบาย แต่ไม่จําเป็นจะต้องหรูหราไม่ต้องฟุ่มเฟือยเพราะความต้องการของร่างกายนี้เหมือนกันทุกคน <c oughs> คืออาหารนี่จะเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาหรืออาหารฟุ่มเฟือยอาหารหรูหรามันก็ทําหน้าที่เหมือนกันก็คือเลี้ยงดูไม่ให้ร่างกายหิวช่วยดับความหิวให้ร่างกายมีความอิ่มให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้อาหารมื้อลา ร้อยกับมื้อละห้าร้อยมันก็ทําหน้าที่เท่ากันง<ม>นั้นเพื่อเพื่อการประหยัดทรัพย์เพื่อการใช้เงินให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดก็ควรจะใช้ด้วยเหตุ<ม>ด้วยผล<ม>อย่าใช้ด้วยอารมณ์มอย่าไปอยากกินของแพงๆของหรูหรา<ม>ที่มีราคาแพงๆ<ม>ให้กินอาหารแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละ<ม>จะได้ประหยัดเงินทอง รับประโยชน์จากการรับประทานอาหารก็ได้เท่ากันได้ดับความหิวทำให้ร่างกายอิ่มทำให้ร่างกายมีกำลังวังชาที่จะอยู่ต่อไปได้<ม>ดการใช้ปัจจัยสี่คนรจะใช้ในหลักนี้<ม>เพื่อเราจะได้ไม่สูญเสียทรัพย์ไปมากกับการที่เราจะ <c oughs> ต้องใช้กับการเลี้ยงดูร่างกาย ถ้าเราก็จะได้มีท ร, รัพย์เก็บสานองไว้มากขึ้น <c oughs> หรือมีท ร, รัพย์ไว้สําหรับทําบุญเพื่อลงทุนสําหรับอนาคตคือพบหน้าชาติหน้าได้มากขึ้นนั่นเอง <c oughs> <c oughs> นั่นนี่คือวิธีการใช้ท ร, รัพย์ที่จะทําให้เกิดความสุขที่ถูกต้องที่ไม่มีโทษไม่มีทุกข์ตามมา <c oughs> <c oughs> แต่ก็มีวิธีใช้ท ร, รัพย์ที่ ไม่ถูกต้องที่จะทําให้เกิดโทษเกิดความทุกข์ตามมาใช้ทรัพย์อย่างไรถึงจะทําให้เกิดโทษก็คือการใช้ทรัพย์ไปกับการเสพอบายมุขต่างๆเช่นใช้ทรัพย์กับการดื่มสุรายาเมาหรือเสพยาเสพติดต่างๆใช้ทรัพย์ไปกับการเล่นการพนันใช้ทรัพย์กับการไปเที่ยวต่างเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ การใช้ทรัพย์เหล่านี้มันมีแต่ดูดทรัพย์ที่เรามีอยู่ให้น้อยลงไปและหมดไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว <c oughs> และเป็นเหมือนยาเสพติดเมื่อเราเสพมันแล้วมันจะติดเราก็จะต้องใช้มันอยู่เรื่อยๆ <c oughs> แล้วถ้าใช้ไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วเงินทองก็จะต้องหมดไปอันนี้ไม่ควรจะใช้ไม่ควรจะหาความสุขจากการใช้ทรัพย์แบบนี้เพราะมันจะทำให้เรา ทุกยากลำบากต่อไปเวลาทรัพย์ที่เราหามาได้มันหมดลงไป <c oughs> <c oughs> อีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ควรใช้ทรัพย์แบบฟุ่มเฟือย <c oughs> ใช้ทรัพย์แบบไม่มีเหตุมีผลต้องใช้ทรัพย์แบบมีเหตุมีผลซื้อแต่ของที่มันมีต่อความจำเป็นของที่ไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตของเรานี้อย่าไปซื้อมัน อย่าไปเสียเงินมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่หลอกเราให้เราดีอกดีใจเวลาที่เราได้ซื้อของที่เราอยากจะได้ซื้อแต่ทั้งๆที่มันไม่มีความจําเป็นเช่นเสื้อผ้านี้ถ้าเรามีพอเพียงแล้วก็ควรที่จะหยุดซื้อได้แล้วอย่าไปซื้อมันซื้อมันมาก็ใส่ได้ครั้งสองครั้งก็เบื่อแล้วแล้วก็อยากจะซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่ชุดใหม่ไปเรื่อย อย่างนี้แล้วเป็นการใช้ทรัพย์ที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์เ mm hmm. พราะจะทำให้ทรัพย์ที่มีอยู่นี้ล่อยลอยลงไปได้อย่างรวดเร็วและอาจจะทำให้ไม่ทรัพย์ไม่พอใช้ต่อไปก็ได้ mm hmm. นี่คือเรื่องของ <c oughs> ความสุขของของผู้ครองเรือนที่เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์ mm hmm. ต้องรู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ mm hmm. ไม่เกิดโทษอย่าไปใช้ทรัพย์แบบที่มันจะทาให้เกิดโทษตามมาต่อไป ข้อที่สามของการของความสุขของผู้ครองเรือนก็คือการไม่มีหนี้สินนั่นเองอย่าไปมีหนีสนหน้สินหนี้สินนี้มักจะเกิดจากการที่เราใช้เงินมากกว่ารายรับอะไรายร า, ายจ่ายมากกว่ารายรับ<ม>เราต้องรู้จักควบคุมการใช้เงินของเราให้ไม่ให้มากกว่ารายรับที่เรามีอยู่ต้องใช้ให้น้อยกว่ารายรับที่เรามีอยู่ เพราะว่าเราต้องใช้แบบที่ได้พูดไว้ในเบื้องต้นต้องใช้แบ่งทรัพย์ไว้สามส่วนที่เราหามาได้ <c oughs> ส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับ <c oughs> เลี้ยงดูร่างกายส่วนหนึ่งเก็บไว้สำรอง <c oughs> และอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ลงทุนสำหรับ <c oughs> อนาคตคือพบหน้าชาติหน้า <c oughs> แต่การใช้ทรัพย์สาส่วนนี้ก็ต้องไม่มากกว่ารายรับที่เราได้มา <c oughs> อย่าใช้มากกว่าที่เราหามาได้เพราะเมื่อเราใช้มากกว่าที่เราหามาได้เราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน mm hmm. อย่างสมัยนี้เขาก็มีวิธีหลอกล่อให้เราไปกู้หนี้ยืมสินโดยการให้เราผ่อนชำระสินค้า mm hmm. เขาอยากจะขายสินค้าให้กับเรา mm hmm. เราไม่มีรายได้พอที่จะซื้อสินค้า mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าจ่ายเพียงร้อยละสิบก็พอ mm hmm. เอาสินค้าไปก่อนแล้วก็ผ่อนส่งไปเรื่อย เมื่อเราได้ซื้อสินค้ามาด้วยราคาถูกแต่เราไม่รู้ว่าเรามีภาระหนี่ที่ต้องใช้ต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะห้ามใจไม่ได้เห็นอะไรที่เราอยากได้เราก็อาจจะซื้อมาทันทีเมื่อซื้อมามากๆเข้าหนี้สินมันก็จะมากเข้าเวลาเวลาเงินเดือนออกแต่ละเดือนนี้มันจะไม่พอจ่ายมันจะไม่พอใช้ใจ่าย เมื่อเงินทองไม่พอใช้ใจ่ายมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา <c oughs> แทนที่จะเกิดความสุขจากการ <c oughs> มีเงินมีมีเงินจากการใช้เงินมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาดัน <c oughs> ั้นพยายามรู้จักควบคุมควบคุมการใช้ใจ่ายของเราอย่าให้มันมากกว่ารายรับของเราเป็นอันขานแล้วเราจะได้ไม่มีภาระหนี้สินที่จะต้องชดใช้ <c oughs> อนี้คือประการที่สามการไม่มีนิสิยเป็นความสุขอย่างหนึ่งของผู้ครองเรือนและข้อที่สี่ก็คือการกระทําที่ไม่เกิดโทษนั่นเองก็คือเวลาเราทําหากินก็ดีหาเงินหาทองก็ดีใช้เงินใช้ทองก็ดีอย่าใช้ไปในทางที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสีย <c oughs> จะได้ความทุกข์มากกว่าจะได้ความสุข ตามมาดง้เราต้องศึกษาเรื่องศีลธรรมเรื่องอบายามุขอบายามุขนี้เราไม่ควรเสพเล่นการพนันเดิมซูรายามาเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ <c oughs> เป็นการกระทำที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์จะเป็นการกระทำที่เกิดโทษก <c oughs> ็จะทำให้ทรัพย์สินของเราล่อยหล่ อ, อลงไปหรือหมดไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแลการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรมถ้าผิดกฎหมายก็จะถูกจับไปลงโทษในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นี่คือเรื่องของความสุขของผู้คองเรือนถ้าอยากจะอยู่อย่างมีความสุขนี้ต้องอยู่ตามตามที่พู้เจ้าได้ทรงสอนให้อยู่ให้มีทรัพย์ให้ใช้ทรัพย์ไม่ให้มีหนี้สิน และไม่มีการกระทำที่เกิดโทษ <Yeah. S 1> ชีวิตก็จะอยู่ได้ไป <Yeah. S 1> แต่ความมั่นคงของการอยู่แบบคารวา่านี้ความสุขแบบนี้มันก็เป็นความสุขที่ไม่มั่นคงไม่ถาวรไม่แน่นอนเพราะทรัพย์ที่ได้มาหรือมีอยู่นี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ภายใต้กฎของตายรัก <Yeah. S 1> ซึ่งอาจจะ มีเพิ่มขึ้นก็ได้หรืออาจจะมีน้อยลงไปก็ได้เพราะไม่มีใครคาดเหตุการณ์ได้แนลคาดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่มั่นคงกว่านี้เราก็ต้องไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือความสุขของนักบวชความสุขของนักบวชนี้เป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งเงินทองเหมือนของผู้ครองเรือนความสุขของนักบวชนี้ ต้องพึ่งของต้องพึ่งการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอันนี้จะเป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดความสุขที่มั่นคงกว่าที่ยั่งยืนกว่าที่สามารถควบคุมบังคับได้ไม่เหมือนกับความสุขของผู้ครองเรือนที่ไม่สามารถไปควบคุมบังคับเรื่องทรัพย์สินเงินทองรายได้ ได้เพราะว่าบางทีก็อาจจะได้มากอาจจะได้น้อยบางทีก็อาจจะขาดทุนก็ได้<ม>แต่ความสุขแบบของนักบวชนี้ไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือแต่ต้องใช้การปฏิบัติ ธ, ธรรมก็คือการปฏิบัติศรรีล<ม>สมาธิปัญญา<ม>หรือการาการรักษาศีลและการบาเพ็ญจิตตภาวนา<ม><ม>อันนี้จะทำให้เกิดความสุขอีกรูปแบบหนึง่ง คือความสุขที่เกิดจากความสงบ<ม>เวลาใจสงบนี้ใจจะมีความสุขและเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขจากการมีทรัพย<ม>์ร้อยล้านพันล้านอันนี้เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์เราสามารถสรรหากันได้แต่ต้องมีความเพียรพยายาม แนะต้องรู้จักวิธีการหาทรัพย์สินเหล่านี้ความสุขเหล่านี้<ม>ก็ต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ม>ว่าวิธีที่เราจะเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์นี้ต้องทำอย่างไร<ม>ทางาศาสนาก็จะสอนว่าการที่เราจะมีความสุขแบบความสงบนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีการรักษาศีล สินแปดขึ้นไปการรักษาสินห้านี้ยังมีกำลังไม่มากพอยังไม่พอที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความสงบได้อย่างเต็มที่แต่ในเบื้องต้นถ้าเรายัางไม่สามารถที่จะรักษาสินแปได้ก็รักษาสินห้าไปก่อนก็ได้แล้วก็ทาปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติสมาธิและปัญญาฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ปัญญา ฝึกสมาธินั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เราก็จะได้สมาธิแต่จะเป็นสมาธิแบบขั้นต้นๆแบบเล็กๆน้อยๆแบบของทารกแบบล้มลุกคุก ค, คานแต่ถ้าต้องการได้ความสงบได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ยั่งยืนที่ถาวอนี้จำเป็นที่จะต้องทุ่มเทให้มีเวลาให้กับการปฏิบัติจิตภาวนาให้มากกว่า ถ้าทำเพียงแต่วันละครั้งสองครั้งเช่นนั่งสมาธิเชา้าเย็นอย่างนี้ยังไม่จาเป็นที่จะต้องรักษาศีนแปดก็ได้รักษาศีลห้าไปก็พอที่จะก็ยังสามารถมีเวลามาทำสมาธิได้แต่ถ้าอยากจะทำสมาธิอยากจะเจริญปัญญาศึกษาธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมานี้จาเป็นที่จะต้องทำแบบ ตลอดเวลาทำเต็มร้อยซึ่งถ้าเรายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ยังมีภารกิจการงานต่างๆอยู่เราก็อาจจะทำได้เฉพาะในวันที่เราว่างจากภารกิจการงานเช่นในวันนี้วันพระถ้าเราอยากจะลองมาหาความสุขแบบนักบวชดูแล้วถ้าเรามีกำลังพอที่จะรักษาสิลแต่าได้มาอยู่วัดได้มาหยุดกิจกรรมทาง กามได้หยุดจิกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นลดผลทพธาได้เราก็มาถือศีลแปดกันได้เพราะการถือศีลแปดนี้ก็เป็นการห้ามจิตใจไม่ให้ไปแสวงหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นลดผลทพธาตนั่นเองเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่เราเคยไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดนี้ให้มาหาความสุขที่เกิดจากความสงบ ด้วยการจเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งให้เป็นฌานขึ้นมาแล้วใจก็จะได้สงบนิ่งแล้วก็จะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงขึ้นมาได้อันนี้สำหรับพูดถึงผู้ที่เริ่มต้นผู้ที่ต้องการจะมาฝึกยังไม่ได้ปฏิบัติแบบมืออาชีพคือตลอดเวลาแต่อาจจะเบื่อกับความสุข ของผู้คลองเรือนเบื่อกับการเรื่องหาเงินหาทองเบื่อกับการที่จะต้องมาวิตกกังวลกับเรื่องทรัพย์สินกับรายได้ต่างๆที่ไม่แน่นอนนี้ก็อาจจะเอาเวลาว่างในวันหยุดเช่นวันนี้วันเป็นวันพระหรือสมัยนี้ถ้าเราไม่ได้หยุดในวันพระเราหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เอาวันเสาร์วันอาทิตย์นี้มาทําเป็นวันพระก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องตามปฏิทิน ตามขึ้นแลมเจ็ดขขึ้นแลมแดข้ามสิบห้าข้าเราสามารถกําหนดวันพระของเราได้วันพระ ค, ความหมายของวันพระก็คือวันที่ว่างจากการทำรรมหากินนั่นเองซึ่งในยุคนี้เราก็จะหยุดทำมหากินในวันเสาร์วันอาทิตย์กันส่วนใหญ่พอเราหยุดแล้วเราก็มักจะไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสจัไปไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการทำหากินมาตลอดระยะเวลาห้าวันที่ผ่านมา ก, ก็ต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างผ่อนคลายบ้างแต่เป็นการผ่อนคลายที่ไม่ได้ความสุขเท่ากับการผ่อนคลายแบบการไปปฏิบัติธรรมที่วัดการไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี่ะจะเป็นการผ่อนคลายที่ที่ดีกว่าได้ความสุขที่มากกว่า แล้วได้ได้พักผ่อนจิตใจและร่างกายที่ดีกว่าพอเราออกจากวัดกลับไปทำงานเราจะรู้สึกมีกาลังวังชาทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจฉะนั้นถ้าท่านที่อยากจะลองหาวความสุขแบบนักบวชนี้ไม่จำเป็นจะต้องบวชทันทีทันใดเวลาเริ่มต้นนี้เราก็มาบวชเป็นชั่วคราวไปก่อน บวชวันหนึ่งเช้ากับเย็นหนึ่งคืนกันหนึ่งวันกับหนึ่งคืนวันพระนี้จะเริ่มตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนที่พระทิตขึ้นแล้วก็จะไปจบวันพรุ่งนี้ตอนที่พระทิตย์ขึ้นเราเรียกว่าหนึ่งวันกับหนึ่งคืนหนึ่งวันกับหนึ่งคืนของวันพระนี้เราก็ไปอยู่วัดกันแล้วก็ไปถือศีลแปดเพราะการถือศีลแปนี้จะทำให้เรานี่ ไม่ไม่สามารถไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะได้เช่นสินข้อสามของสินแปก็คือการไม่มีการร่วมเพศไม่มีการหลับนอนกับคู่ครองของเราขอของดเว้นไว้หนึ่งวันเพื่อเอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนนี้มาให้กับการฝึกสติฝึกสมาธิหรือฝึกปัญญากัน แล้วก็ไม่ให้เรารับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะการรับประทานนีไม่จำเป็นจะต้องรับประทานถึงสามมือ้อรับประทานถ้ารับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ไ ม, ไ, มไม่หิวไม่ทุกข์ไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้รับประทานเพียงแค่เที่ยงวันก็พอเพราะการรับประทานอาหารมากเกินไปก็จะมา <c oughs> ทำให้มีปัญหาต่อการปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิ ก็จะมีอาการง่วงเหงาหาๆนอนปรากฏขึ้นมาได้แล้วก็ต้องละเว้นการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ละเว้นการไปหาความสุขทางกิจกรรมทางตาหูจมูกิ้นกายก็คือการไปดูมอห์ลสบบันเทิงต่างๆไปรับประทานไปดื่มไปอะไรต่างๆเหล่านี้หรือการเสริมสวยความงามของร่างกาย ด้วยเครื่องสมางหรือด้วยน้ำมันน้ำหอมหรือด้วยการทำเเผาทำผมหรืออะไรก็ตามด้วยเสื้อผ้าผ่อนที่สวยงา ม, มการกระทำเหล่านี้มันจะทำให้เสียเวลาและไม่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติที่จะทำให้จิตใจสงบ<ม>ให้ละเว้นการกระทำเหล่านี้และเวลาพักผ่อนหลับนอนก็ไม่ไม่ให้นอนมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ปกติร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนหลับนอนคืนละสี่ชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงก็พอถ้าเราต้องการที่จะพักผ่อนไม่มากคือพอต่อความต้องการของร่างกายเราก็ต้องอย่านอนบนเตียงที่มันสำรานเตียงที่มันสุขสบายให้นอนบนเตียงที่มันเป็นพื้นแข็งๆที่นอนที่มีพื้นแข็งมันจะทำให้นอนไม่ได้นาน เพราะว่ามันจะไม่สุขไม่สบายหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกดหนาะมันก็อยากจะนอนต่อแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี้ก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็จะได้มีเวลามาทำจิตมาทำจิตใจให้สงบต่อได้นี่คือที่สิ่งที่ ผู้ที่ต้องการที่จะหาความสุขแบบนักบวชของนักบวชคือการทําจิตใจให้สงบเพื่อให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาสิ่งแปลและต้องมีความจำเป็นที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนี้ให้เราทำอะไรให้เราทาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลย สิ่งที่เราต้องทำตลอดทั้งวันทั้งคืนก็คือการเจริญสติหรือการฝึกสติเพื่อควบคุมใจของเราไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าใจเรายังคิดถึงเรื่องราวต่างๆอยู่นี้การจะทำใจให้นิ่งให้สงบเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมานี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นเราต้องหัดมาเจริญสติเพราะสตินี้เป็นเหมือนเบรกที่จะมาหยุดความคิดนั่นเองเหมือนกับเบรกของรถยนต์ ลถอยนนี้เวลาที่เราขับรถไปไหนมาไหนเวลาที่เราจะต้องการให้รถหยุดนี้เราก็ต้องเหยียบเบรกกันถ้าเราถ้าเบรคไม่ดีเบรกเสียก็จะหยุดรถไม่ได้เมื่อหยุดรถไม่ได้รถก็อาจจะต้องไปชนรถคันอื่นดังนั้นเวลาที่เราขับรถนี้เราต้องดูสภาพเบรกก่อนว่าหยุดรถได้หรือไม่ถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องเอาเข้าอู่ก่อน ถ้าเรายังไม่สามารถหยุดความคิดของเราได้ยังปล่อยให้ใจเราคิดเรื่อยเปื่อยตลอดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็เริ่มคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ถ้าคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลามานั่งสมาธินี้มันก็จะคิดต่อมันก็จะฟุ้งใจก็จะฟุ้งนั่งแล้วก็จะไม่สงบ พ, พอนั่งไม่สงบก็จะเกิดอาการหงุดหงิดลำคาญใจจนกระทั่งไม่สามารถที่จะนั่งต่อไปได้ การนั่งสมาธิก็จะไม่เกิดผลเพราะว่าเราไม่ได้มีเบรกไม่มีสติไว้คอยหยุดความคิดนั่นเองดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิให้เกิดผลขึ้นมาได้นี้เราต้องมีเบรกให้กับใจก่อนมีสติก่อนเราจำเป็นที่จะต้องฝึกสติเพราะการฝึกสตินี้ฝึกได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เหมือนกับเวลานั่งสมาธิการนั่งนี้ต้องมี ต้องมีเวลาว่างต้องนั่งเฉยๆแต่การฝึกสตินี้เรายังสามารถทําหน้าที่ต่างๆของเราได้เช่นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารในขณะที่เราทําภารกิจเหล่านี้ยังสามารถเจริญสติควบคู่ไปได้ก็คือให้เรามีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อกันไม่ให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเอง เราจะใช้คำบริกรรมพุโทโธเป็นที่ตั้งของสติก็ได้ที่ควบคุมสติไม่ให้ไปลอยไปลอยมาพอเราลืมตาขึ้นมาก็เริ่มท่องพุโทโธไปเลยพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแล้วก็ลุกไปทำหน้าที่ของเราอาบน้ำนงหน้าแปลงควันหรือทำอะไรก็ทำไปแต่ขนาดที่ทำก็ให้มีพุโทโธพุธโทโธคอยกำกับอยู่เพื่อที่ใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้าการใช้พุโทโธนี้เป็นการมา ควบคุมไม่ให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆเพราะถ้าเราพุโทโธเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่พุโทโธเดี๋ยวเราก็จะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ในเบื้องต้นนี้พุโทโธเราอาจจะยังไม่ต่อเนื่องมันก็อาจจะมีความคิดเข้ามาแทรกอยู่เรื่อยๆก็ได้แต่เราก็อย่าไปกังวลไม่ต้องไปสนใจกับความคิดที่แทรกเข้ามาพยายามให้มีพุโทโธไปเรื่อยๆ พุโทโธไปพุโทโธช้าบ้างเร็วบ้างก็ได้พุโทโธไปในใจไม่ต้องออกเสียง mm hmm. เพื่อคอยควบคุมความคิดคอยกําจัดความคิดขอให้เราขยันพุโทโธเถิด mm hmm. เวลาที่เรามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมพอลืมตาขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาก็เริ่มพุโทโธเลยเริ่มจเจริญสติเลยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลย mm hmm. แล้วจะหยุดพุโทโธหรือหยุดการจเจริญสติก็ต่อเมื่อเวลาที่เราหลับเท่านั้น mm hmm. ถ้าเราทำอย่างนี้ได้<ม>เรามีพุโทโธไม่ว่าเรากำลังจะทำอะไรทำกิจกรรมที่จำเป็นเพราะเมื่อเรามาอยู่วัดนี้ก็จะไม่มีภารกิจการงานที่เราเคยไปทำที่ที่ทำงานหรือไปทำอะไรที่ไหนภารกิจที่เรามาทำในวัดก็มีแต่เฉพาะการเลี้ยงดูร่างกายของเราเท่านั้นเอง<ม>เราก็ทำไปควบคู่กับการเจริญสติไป พอเวลาเรามีเวลาว่างเราก็มานั่งสมาธินั่งหลับตากันนั่งหลับตาจะนั่งแบบไหนก็ได้ถ้าเรานั่งแบบขัดสมาธิยังไม่ได้จะจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้หรือจะนั่งพับเพียรก็ได้สุดแท้แต่ความถนัดเวลานั่งก็นั่งให้ตัวตรงแล้วพอเราเริ่มพุทโธพุทโธเราดูลมหายใจเข้าออกก็อย่าไปสนใจกับอาการของร่างกาย ร่างกายจะเองไปทางนั้นเองไปทางนี้บ้างหรืองอบ้างก็ไม่ต้องกังวลถ้าเราไปกังวลกับร่างกายเราก็จะไม่ได้ภาวนาเราก็จะไม่ได้ดูลมเราจะไม่ได้บริกรรมพุทโธ mm hmm. เวลาเรานั่งสมาธิเริ่มต้นแล้วถ้าเราใช้พุทโธอย่างเดียวก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือถ้าเราดูลมอย่างเดียวก็ดูลมที่ปลายจมูกดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกไป mm hmm. ไม่ต้องทําอะไรทําเพียงเท่านี้ แล้วถ้าเกิดมีอาการอะไรปรากฏขึ้นมาในใจอาจะมีภาพมีแสงมีสีมีเสียงอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปชอบไม่ต้องไปรักไปชังมันเป็นของที่จิตใจตรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นเองขอให้เราอย่าไปให้ความสำคัญและอย่าไปคิดว่าเป็นผลที่เราต้องการ ผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิก็คือความว่างจิตนิ่งสงบว่างแล้วก็มีความสุขอย่างยิ่งอันนี้สําคัญนะถ้าจะวัดผลของการนั่งสมาธิต้องดูที่ความสุขว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้เกิดขึ้นหรือยังความสุขที่แปกประหลาดมาสจสะใจใจที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนั้นเกิดขึ้นหรือยังถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นนี้แสดงว่า เรายัางไปไม่ถึงจุดที่เราต้องการไปเมื่อเรายัางไปไม่ถึงจุดที่เราต้องการไปเราก็อย่าหยุดพุทโธอย่าหยุดดูลมหายใจเขาทําหน้าที่นี้ต่อไปถ้าใช้พุทโธอย่างเดียวก็พุทโธต่อไปถึงแม้ว่าจะมีอาการอะไรต่างๆขึ้นมาอาจจะมีปิติมีขนลุกซาหรือมีน้ำตาไหลก็ไม่ต้องไปสนใจพุทโธต่อไปหรือถ้าดูลมก็ดูลมต่อไป เรายัางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่วิเศษที่เราต้องการไปก็คือความสุขที่เหนือกว่าความความสุขทั้งปวงที่เกิดจากขณะที่จิตนิ่งสงบจิตนิ่งหยุดคิดโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมัาไม่ให้มันคิดเมื่อเรามเมื่อมันถึงจุดที่มันจะหยุดคิดมันจะหยุดกึกลงไปเหมือนกับสะดุดนี้แล้วจิตก็พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ จิตที่ดิ้นไปดิ้นมาก็กลายเป็นจิตที่นิ่งสงบเย็นสบายขึ้นมาบางครั้งก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับตกลงมาจากที่สูงก็ได้วิบลงมาวิบลงมาแล้วก็นิ่งไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไปสนใจให้รู้เฉยๆถ้ายังดูลมได้ก็ดูนมไปพุทโธได้ก็พุทโธไปแต่ถ้ามันนิ่งจริงๆมันสงบจริงๆพุทโธมันก็จะหยุดไปลมมันก็จะหายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ เหนือแต่อุเบกขาเหนือแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้แหละคือความสุขของนักบวชถ้าใครได้เข้าถึงความสงบแบบนี้แล้วจะติดอกติดใจและจะไม่สนใจกับความสุขของผู้ครองเรือน จะไม่สนใจจากเรื่องของการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่สนใจกับการที่จะเอาทรัพย์สมบัติเงินทองไปใช้ใจ่ายไปซื้อความสุขชนิดต่างๆเพราะความสุขชนิดต่างๆที่ซื้อด้วยเงินด้วยทองนี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการเจริญสตินั่งสมาธิไม่ได้อันนี้เป็นความสุขขั้นแรกของความสงบโดยความสงบนี้จะมีสองขั้นด้วยกันขั้น สงบแบบชั่วคราวแล้วสงบแบบถาวรขั้นแรกนี้ความสุขที่เกิดจากการเจริญ ส, สตินั่งสมาธินี้จะได้ความสงบแบบชั่วคราวได้ความสุขแบบชั่วคราวเพราะหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วความสุขอันนี้ก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าอยากที่จะทําให้ความสุขที่เกิดจากสมาธินี้เป็นความสุขที่ถาวรต่อไปก็ต้อง ไปขั้นที่สองก็คือไปขั้นปัญญาต้องศึกษาความจริงว่าอะไรเป็นตัวที่มาทำให้ความสุขที่เราได้จากสมาธิจางหายไปเราก็จะเห็นว่ามันจางหายไปเพราะความอยากเพราะกิเลสตัณหาพอจากสมาธิมาพอเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มขึ้นมาถ้าเราอยากจะรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิไม่ให้หายไป เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าความความสุขที่เราจะได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เวลาที่มันเสือ่อมมันหมดไปถ้าไม่อยากจะต้องทุกข์ถ้าไม่อยากจะสูญเสียความสุขที่ได้จากความสงบนี้เราก็อยากไปอยากตัดความอยากไปเสีย ถ้าเราเห็นว่าความสิ่งที่ต่างๆที่เราอยา ก, <inaudible> ายากมันจะทำให้เราทุกข์เราก็จะไม่กล้าอยากเองแล้วความอยากมันก็จะหายไปเช่นถ้าเรารู้ว่าเครื่องดื่มที่เราจะดื่มนี้มันมียาพิษอยู่เราก็จะไม่กล้าดื่มแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะคิดว่าเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยพอดื่มเข้าไปแล้วก็อาจจะถึงแก่วความตายก็ได้ <inaudible> ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนเครื่องดื่มที่มียาพิษผสมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความสุขจากลาบยศสารเสรนี้มันล้วนมียาพิษผสมอยู่เพราะมันมีอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้วันใดวันหนึ่งมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปหรือหมดไปเวลามันเปลี่ยนไปหมดไปความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราต้องเห็นตายลักในทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสอยากได้อ ย, ไดอยากมีอยากเป็น แต่เห็นแล้วมันก็จะไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่อมันตัดความอยากออกไปได้ความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะกลับคืนมาโดยอัตโนมัติ<ม>เป็นความสุขที่ถาวรต่อไป<ม>ความสุขที่ถาวร น, นี่แหละที่เราเรียกว่านิพพาน<ม>ความสุขที่สูงสุดที่มนุษย์สามารถที่จะเข้าถึงได้ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นผู้นำทางเป็นผู้บอกทาง ดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปถึงความสุขอันยิ่งใหญ่นี้จึงต้องมีวันพระมีวันฟังเทศฟังธรรมดังที่ได้แสดงมาตั้งต้นอันนี้แหละคือเรื่องของความสุขที่เอามาฝากท่านในวันนี้ความสุขของผู้คองเรือนและความสุขของนักบวชซึ่งเป็นความสุขระดับต่างกันเป็นระดับที่ สูงกว่ากันดีกว่ากันความสุขของกาลาวาาเป็นความสุขที่คลุกเท้าไปด้วยความกังวลด้วยความไม่แน่นอนความสุขของนักบวชนี้เป็นความสุขที่มั่นคงยั่งยืนและถาวรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราตลิปุเรนติสาคหลังเอวามีวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปติอิชิตังปัติต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสาเพปุเรนตุสังกปา ยันโทปะนาวะโสยทาเมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพะโรโววินาศตุมาเตภวตะวันตารายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิตสะนิจังวุทาปะจายโน จตารอธรรมวัฏันติอายุวันสุขังภาลัช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคําความสงสัยไม่เข้าใจอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้อยากเข้ามาถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ หรือถ้ามีมือถือก็ส่งก็มาทางเพจทาง u t ท b e ก็ได้แล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะเอามาอ่านให้ฟังอันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทัวันนี้ผู้ติดตามทางเฟ e บุ๊ก พระอาจารย์สุชาติ504 YouTube พระสุชาติไลฟ์307 YouTube Dr. V Channel 105วิทยุออนไลน์7 Club House 7ผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิ218คนรวมทั้งหมด 1,148 ครับหนึ่งร้<ม>ีครับในคำถามก็อ่านได้เลยคำถามจาก ผู้รับฟังหน้ากุฏิสี่คำถามนะครับคำถามแรกลักษณะของวิญญาณเป็นอนัตตาเป็นอย่างไรครับคือวิญญาณนี้มันก็เป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศอย่างเงี้ยมันไม่มีตัวตนเขาว่าอนัตตาก็คือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นลมพัดแดดออกฝนตกไ ม, ไม่มีใครมาทำให้มันตกและมันมีเหตุมีปัจจัยที่เป็น ธรรมชาติด้วยกันอากาศร้อนก็ทำให้น้ำมันระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้ากลายเป็นเมฆพอเมฆ ม, มันหนักเข้ามันก็ตกลงมาเป็นเป็นฝนนี่คือลักษณะของการไม่มีตัวตนวิญญาณก็คือตัวที่สามารถมาเชื่อมต่อจิตกับร่างกายได้วิญญาณนี้คือผู้ที่มารับลูกเสียงกลิ่นรสที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใจกับร่างกายไม่ได้เป็นคนเดียวกันเป็นสองคนใจถ้าอยากจะรู้ว่าร่างกายสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสอะไรใจต้องมีตัวไปรับข้อมูลนี้มาตัวที่ไปรับข้อมูลนี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณมีความสามารถที่จะเชื่อมใจให้ติดกับร่างกายให้รู้ว่าตอนนี้ร่างกายเห็นอะไรได้ยินเสียงอะไรแล้วก็ใจก็จะได้รู้ว่าเป็นเสียงที่ดีหรือเสียงที่ไม่ดีเสียงด่าหรือเสียงชม ถ้าเสียงชมก็เกิดความสุขขึ้นมาถ้าเสียงด่าก็เกิดความทุกข์ขึ้นมามันเป็นการทํางานของธรรมชาติเวลาเกิดความสุขก็เป็นการทํางานของธรรมชาติเวลาเกิดความทุกข์ก็เป็นการทํางานของธรรมชาติต่อเนื่องจากวิญญาณที่เป็นธรรมชาตินี้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาที่ใจพอเข้ามาที่ใจใจก็ไปแายความหมายว่ามันเป็นอะไรดีหรือไม่ดีพอดีก็เกิดสุขขึ้นมา พอไม่ดีก็เกิดทุกข์ขึ้นมามันเป็นการทํางานของธรรมชาติทําหน้าที่ของแต่ละธรรมชาติวิญญาณมีหน้าที่ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัญญาเป็นผู้ไปไปแปลคว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้ดีหรือไม่ดีแล้วพอไปแปลก็ทําให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกขึ้นมาสุขทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเกิดสุขทุกข์ก็เกิดสังขารความคิดขึ้นมาอยากจะได้ถ้าเกิดมีถ้าเป็นของที่มีสุขก็อยากจะได้ ถ้าของที่เป็นทุกข์ก็อยากจะหนีอย่างนี้เป็นตน้นอยากจะไม่ได้อันนี้เป็นการทํางานของธรรมชาติโดยอัตโนมัติเชื่อมต่อกันไม่มีตัวตนเราไปคิดกันเลยว่าเราคิดเราเห็นเรารู้เราฟังความจริงเราไม่ไ ด, เไได้เราไม่ได้เป็นคนสั่งการเหล่านี้เลยรูปเสียงกิดล้นเราสั่งไม่ได้รูปเสียงกีดล้นมันจะมาอย่างไงใครจะใครเขาจะชมอะไใครเขาจะดา่าเราเราสั่งไม่ได้ พอมันเข้ามาแล้วมันก็มาสร้างความรู้สึกขึ้นมาซึ่งเราก็สั่งไม่ได้สร้างความสุขสร้างความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดไม่มีตัวตนคำถามที่สองการนั่งสมาธิเมื่อท่องพุทโธแล้วพุทโธหายไปต้องทำอย่างไรต่อครับเพราะ ถ้านั่งต่อไปอีกก็ง่วงนอนมีวิธีทําอย่างไรให้เกิดปัญญาครับก็อย่าหยุดพุดโทโธเลยถ้าหยุดพุดโทโธมันก็หายถ้าเราท่องพุโทโธไปเรื่อยๆมันก็ไม่หายถ้ามันหายก็ต้องท่องใหม่ท อ, อตอนนี้พุโทโธหายแสดงว่าเราไม่ท่องแนละ้วเราไม่ท่องเราก็เริ่มใหม่พุโทโธพุโทโธใหม่ถ้าถ้ารู้สึกว่ามันยากนั่งแล้วพุโทโธไม่ไหวเพราะมันจะง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินพุโทโธแทน เรียกว่าเดินจงกรมลุกขึ้นมาเดินแล้วก็ท่องพุทโธต่อไปท่องไปยังมาทั่งรู้สึกว่าใจสงบใจเย็นอยากจะกลับมานั่งก็กลับมานั่งใหม่ต่อสลับกันผัดกันนั่งผัดกันเดินถ้านั่งแล้วมันจะงวงก็ลุกขึ้นมาเดินพอเดินหายว่วงแล้วอยากจะนั่งก็กลับมานั่งใหม่คำถามที่สามการตามดูจิตจะตามอย่างไรถึงจะให้ไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นครับ วิธีที่ถูกต้องในการดูจิตมีอะไรเป็นตัวนำครับของการจะดูจิตได้นี้ต้องมีสมาธิก่อนนี้ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธินี้ตามจิตไม่ได้ไม่รู้จิตอยู่ที่ตรงไหนแล้วเวลามันไม่ดีจะหยุดัรนย ง, ง่างก็หยุดมันไม่ได้เช่นเวลามันเกิดอาการพยศขึ้นมาเกิดอาการเสียใจเกิดอาการโกรธขึ้นมาถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราจะหยุดมันไม่ได้ เราจะไม่รู้เสียด้วยซ้ําไปว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะไปดูเวลาเราโกรธนี่แทนที่จะจะเห็นจิตกลับไปเห็นคนที่ทําให้เราโกรธแล้วก็อยากจะไปทําให้คนที่โกรธเหล่านี้เขาเสียหายเดือดร้อนขึ้นมาที่ความจริงแล้วมันเกิดจากจิตเราไปยุ่งกับเขาเองไปยุ่งกับเขาแล้วทาให้เกิดความโกรธขึ้นมาถ้าเรามีสติมีปัญญามีสมาธินั่นเราถึงจะเห็นว่ามันอยู่ในใจของเรา เราต้องกลับมาหยุดที่ใจของเราไม่ใช่ไปหยุดที่คนที่เขาทาให้เราโกรธงั้นอย่าเพิ่งไปดูจิตตอนนี้ดูจิตไม่ทันไม่มีเครื่องมือต้องหยุดจิตก่อนด้วยสติด้วยกับพุโทโธพุโทโธเมื่อหยู่จิตแล้วที่นี้เมื่อจิตเริ่มเคลื่อนไหวก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมาคําถามที่สี่ลูกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมีความต้องการอยากบวช แต่คิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าอะไรหรือสัญญาณอะไรที่บ่งบอกบ่งชี้ว่าลูกพร้อมบวชแล้วลูกมาบวชได้แล้วครับมันก็มีสองปัจจัยปัจจัยหนึ่งก็คือใจในใจของเราถ้าทำมันเริ่มมีมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นมันก็จะมีกําลังที่จะไปบวชปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยภายนอกเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะสูญเสียไปบทตสูญเสียคนที่เรารักสูญเสียพ่อแม่สูญเสียอะไรไปหมดไม่สิ้นเนื้อปดาตัวไม่มีเยรยเหลืออยู่แล้วในชีวิตนี้ที่จะต้องกนนังวลอั น, นั้นมันก็จะไปบวตได้ั้นก็แล้วแต่มันอยู่ปัจจัยสองส่วนปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือธรรมะถ้ามันมีมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะมีกาลังที่อยากจะไปบวตมากขึ้นปัจจัยภายนอกที่ ที่เป็นอุปสรรคถ้ามันหายไปมันหมดไปมันก็จะทําทให้ไปบวชได้ง่ายขึ้นงั้นก็มีสองปัจจัยนี้ถ้าเรายังไม่มีพอเราก็สร้างได้ธรรมะก็พยายามปฏิบัติต่อไปปฏิบัติให้มากขึ้นจเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาให้มากขึ้นส่วนปัจจัยภายนอกถ้าเราสามารถตัดมันได้ก็ตัดมันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็อาจจะไม่มีอะไรขีดขวางที่ทางที่เราต้องการไปได้นะ คำถามจากทาง facebook YouTube ครับคุณอัจชราถ้าบุญของเรามีพอให้ชาติพบหน้าได้เกิดเป็นคนอีกชาตินี้เป็นผู้หญิงชาติหน้าเรามีสิทธิ์ได้เกิดเป็นผู้ชายไหมครับเกิการจะเป็นหญิงเป็นชายนี่มันต้องเปลี่ยนนิสัยการที่เรามาเป็นผู้หญิงเพราะนิสัยเราเป็นนิสัยผู้หญิงใจเราชอบทําอะไรแบบผู้หญิงมันก็เลยมาเกิดเป็นผู้หญิง ถ, ถ้าใจเราชอบทําอะไรแบบผู้ชายมันก็จะไปเกิดเป็นผู้ชาย ดังนั้นอยากจะเปลี่ยนเพศต้อมาเปลี่ยนนิสัยของเรานิสัยของเราต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้หญิงมาเป็นผู้ชายผู้ชายก็ต้องทรหดอดทนบิกบุญอะไรนผู้หญิงก็ช่องชอบของสวยๆงามๆนิ่มๆรวนๆ น, นีนน่มันต่างกันมันอยู่ที่ความนิสัยของใจก็ต้องเปลี่ยนที่ใจแต่ความจริงถ้าต้องการจะปฏิบททัติธรรมนี้ปฏิบัติได้ทั้งหญิงทั้งชายไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไร ผู้หญิงก็บรรลุธรรมได้ผู้ชายก็บรรลุธรรมได้เพราะการบรรลุธรรมไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงผู้ชายอยู่ที่ว่ามีธรรมฆ่ากิเลสหรือไม่ถ้ามีธรรมฆ่ากิเลสได้ก็บรรลุบรรลุธรรมได้คําถามจากคุณสมพรโยมเหยียบเบรกไม่ให้มีความอยากที่จะต้องขึ้นมากรุงเทพเพื่อขึ้นมากระทําสิ่งที่ดีงาม ทุกครั้งที่ผ่านมาจะตามใจกิเลสตลอดแม้จะเป็นการตามใจเพื่อมาปฏิบัติในสิ่งที่ดีแต่ก็ยังเป็นกิเลสอยู่ดีเพราะการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามสามารถปฏิบัติได้ในที่พักโดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง ม, มาที่กรุงเทพยมคิดได้อย่างนี้แล้วเหยียบเบรกหยุดฆ่ากิเลสตัวเองถือว่าถูกต้องแล้วหรือยังครับก็ฆ่าบางส่วนนะกิเลสที่ชอบไปนู่นมานี่ชอบ เปลี่ยนรูปเสียงกิ่นรถจากที่นี่ไปที่นั่นอะไรอย่างนี้เราก็ต้องหยุดมันให้ได้ให้มันอยู่กับที่ให้ได้เพราะถ้ามันอยู่กับที่ได้มันก็จะทำให้การฝึกสมาธินี้มันได้ง่ายขึ้นถ้าใจยังอยากไปนู่นมานี่อยู่เวลานั่งสมาธิได้เดียวเดียวก็อยากจะไปนู่นมานี่แล้วก็จะนั่งไม่ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะทาให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าได้ ก็คือต้องคอยระ ง, งับความอยากที่จะไปนู่นมานี่โดยไม่มีเหตุไม่มีผลนะแต่ถ้ามันมีเหตุมีผลมีความจำเป็นจะต้องไปก็ต้องไปเช่นต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหมออยู่ที่กรุงเทพนี้เราก็ต้องไปแต่ถ้าไม่มีเหตุเพียงแต่อยากไปอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นกิเลสคาถามจากคุณพานาสัส บางครั้งเวลาที่นั่งสมาธิจิตก็สงบไปเฉยๆแต่เป็นระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะกลับมาคิดใหม่ไม่ได้มีอาการวูบหรือตกหลุมตกบ่อแบบที่พระอาจารย์สอนอยากทราบว่าตอนที่สงบควรภาวนาต่อหรือให้ดูความสงบครับถ้ามันสงบก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ใช้สติคอยรักษาให้มันสงบไปเรื่อยๆอย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมา ถ้ามันจะคิดก็คอยห้ามมันไว้คอยหยุดมันไว้ให้รู้เฉยๆไปคำถามจากคุณพัสอนขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับหากเราหยุดการปฏิบัติไปเพราะความเหนื่อยล้าจากการงานจากปัญหาทั่วไปในแต่ละวันทำอย่างไรถึงจะให้กำลังใจตัวเองเพื่อให้กลับมาฝึกฝนปฏิบัติได้ในทุกวันครับก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆว่า เดี๋ยวเราไม่นานเราก็ต้องตายแล้ว <Yeah. S 2> เมื่อเราตายเราก็จะไม่มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติเหมือนตอนนี้เพราะฉะั้นการที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้เป็นเวลาที่เลิศที่ประเสริฐที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่เราไม่ควรปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่นำมามาใช้กับการปฏิบัติ <Yeah. S 2> ให้เราคิดอย่างนี้ว่าชีวิตของเรามันมีวันสิ้นสุดลงเมื mm ่อ hmm. ตายไปแล้วก็ปฏิบัติทำไม่ได้ งดจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพิ่มมาปฏิบัติใหม่ก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่งั้นตอนนี้เรามีโอกาสทองเป็นโอกาสที่ดีรีบตัก ต, กตวงประโยชน์ให้สูงสุดดังที่พทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าดวงยังประโยชน์ของตนและของผู้ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดชีวิตเป็นของไม่แน่นอนอนิจจาวัสังขาราร่างกายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาให้รีบ เอาเวลาที่ยังมีอยู่นี้ยังที่ยังไม่ตายนี้มาทำประโยชน์ด้วยการปฏิบัติเถิด ป, ปฏิบัติเพื่อเราก่อนเมื่อปฏิบัติเราได้ผลแล้วเราก็ไปสอนผู้อื่นต่อไปคำถามจากคุณนาวินทำไมจิตที่บรรลุธรรมแล้วไม่สามารถกลับมาเป็นปุถุชนได้ครับ การปิดอบายภูมิหมายถึงอย่างไรครับและสามารถทดสอบได้ไหมครับอ๋อไม่ใช่ไม่สามารถหรอกไม่อยากกลับเหมือนคนที่ออกจากกองไฟแล้วไม่อยากจะกลับเข้ากองไฟหรอกเหมือนคนที่เข้าไปอยู่ห้องแอร์แล้วไม่อยากจะออกมาอยู่ข้างนอกนะเพราะคนที่บรรลุธรรมนี้จะเข้าสู่สภาพที่สุขที่เย็นจิตที่มีความสุขมีความเย็นจะไม่อยากจะกลับไปสู่สภาพของจิตที่ร้อนที่วุ่นวายต่อไป คำถามจากคุณสินีนาธพ่อแม่สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอธิษฐานจิตถึงลูกบุญดังกล่าวจะถึงลูกไหมครับไม่ถึงหรอกบุญใครบุญมันถ้าบุญถึงก็พูดเจ้าก็มาส่งมาให้พวกเราทุกคนใครจะมีบุญมากเท่ากับพระพุทธเจ้ า, าครูบาอาจารย์ยต่างๆนั่งเสกปับ๊บพวกเราก็กลายเป็นพาาาระอรหันต์กันขึ้นมาเลยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องปฏิบัติเอง การปฏิบัติการทำบุญเหมือนการรับประทานอาหารต้องกินเองคนอื่นกินแทนไม่ได้เช่นคนนั้นออวันนี้ไปกินข้าวมาอิ่มแล้วเอาความอิ่มมาฝากให้คุณบ้างคุณจะอิ่มตามเขาไหมไม่อิ่มหรอก คำถามจากคุณทีคัฒนาการที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันนั้นทุกคนต้องผ่านข้อสอบของการเจ็บป่วยการผ่าตัดโรคภัยต่างๆผ่านความแก่เจ็บตายทั้งสามตัวนี้ถึงจะบรรลุขั้นพระโสดาบันเหมือนกันทุกคนใช่ไหมครับก็ไม่ต้องไม่ต้องเจอกับการผ่าตัดอะไรๆหรอกเพียงแต่นั่งเฉยๆแล้วเวลามันเจ็บก็อย่าไปลุกมันให้ทนอยู่กับความเจ็บให้ได้จนกว่าความเจ็บมันจะหายไปเอง มันก็ผ่านได้แล้วส่วนความตายก็ต้องไปหาที่มันท้าทายต่อความเป็นความตาย mm hmm. เช่นไปอยู่ที่มันน่ากลัวอย่างนี้แล้วคิดว่าอาจจะมีเสือมีสัตว์อะไรจะมากัดเรา응แล้วเราปลงได้ว่าอยอมตายเกิดมาแล้วต้องตาย응อย่างนี้ก็ผ่านได้คือต้องต้องสามารถกำจัดความกลัวเจ็บกลัวตายให้ได้ค응ำถามจากคุณสุวรรณี การภาวานานั้นจําเป็นจะต้องนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเพียงอย่างเดียวหรือไม่ครับไม่จําเป็นลการภาวานานี้เรียกว่าการเจริญสติการเจริญสตินี้ทําได้ทั้งสี่เรียบทเดินยืนนั่งนอนแต่เวลาทําสมาธิเพื่อให้จิตสงบนี้การนั่งเป็นท่าที่ดีที่สุดที่จะทําให้จิตสงบนิ่งได้ดีที่สุดได้ง่ายที่สุดถ้าอื่นนี้มันมีอุปสรรคถ้านอนมันก็จะหลับ ถ้ายืนเดี๋ยวมันก็จะเมื่อยถ้าเดินมันก็จะสงบไม่ได้เต็มที่ตอนร่างกายใจจะสงบได้ร่างกายต้องสงบนิ่งก่อนร่างกายต้องนั่งนิ่งเฉยๆก่อนเห็นถ้าจะต้องการให้จิตรวมเป็นฌานนี้ต้องนั่งสมาธิแต่ถ้าต้องการให้จิตมีสติให้ควบคุมความคิดได้นี้เราสามารถทำได้ในทั้งสี่ริยาบทเดินยืนนั่งนอนคาถามจากคุณยงยุทธ ผมนั่งสมาธิแล้วอาการที่เกิดขึ้นคือเหมือนไม่ได้นั่งครับอารมณ์เหมือนว่าวินาทีแรกที่นั่งกับอารมณ์ตอนที่นั่งเสร็จประมาณ30นาทีอารมณ์เหมือนวินาทีแรกที่เริ่มนั่งครับคือว่าว่างนิ่งๆแต่ก็มีสติอยู่บางครั้งก็มีความคิดเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญมีสติอยู่กับการรู้อยากทราบว่าทํำถูกไหมครับ ถ้ามันเหมือนกับตอนที่เราเริ่มก็แสดงว่าเราไม่ได้พัฒนาถ้าเรานั่งแล้วจิตนิ่งสงบรวมสักแต่ว่ารู้แล้วเกิดความสุขที่มาสะใจใจอันนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าได้ผลจากการปฏิบัติถ้ายังไม่ได้เจอความสุขอันวิเศษนี้ยังถือว่ายังไปไม่ถึงที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางต้องพุโทโธต่อไปแล้วดูลมหายใจอย่านั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยจิตก็จะไม่สงบไม่รวม คำถามจากผู้ฝากถามนั่งสมาธิในขณะหลับตาเห็นแสงสว่างเจิดจ้ามากครับแต่ไม่แสบตาต่อมาเห็นเป็นจอภาพหลายๆภาพทับซ้อนกันภาพสุดท้ายเป็นภาพตัวเราเองนั่งสมาธิซึ่งในขณะที่ทำสมาธิก็มีสติรู้ตัวตลอดครับพอออกจากสมาธิรู้สึกว่าตาจะช้ำเพราะแสงสว่างในสมาธิเหตุการณ์นี้คืออะไรแลวแก้ไขได้อย่างไรครับ ก็อย่าไปสนใจเวลานั่งแล้วเกิดอะไรขึ้นมาให้อยู่กับพุโทโธไปหรืออยู่กับลมไปแล้วอาการต่างๆมันก็จะหายไปถ้าเราไปให้ความสนใจเราก็อาจจะไปยุให้มันเกิดขึ้นนานขึ้นก็ได้ดังนั้นนั่งสมาธิไม่ควรที่จะนั่งโดยที่ไม่มีพุโทโธหรือไม่มีลมหายใจเข้าออกอะไรจะเกิดขึ้นมาอย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้คําถามจากคุณสายพันธุ์ วิธีที่เราจะแก้ไม่ให้ไปหลงรักคนอื่นต้องทําอย่างไรครับก็คิดถึงเวลาที่เขาตายหรือคิดถึงอาการสามสิบสองของเขาคนเราอาจจะน่าดูหน้าชมเฉพาะภายนอกพอเราผ่าเขาออกมาผ่าหน้าอกออกมาดูดูเข้าไปข้างในก็จะเห็นกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นอะไรต่างๆถ้าเห็นของเหล่านี้มันความรักมันก็จะหายไป มันพอะมันจะเห็นของที่มันขยะขยงไม่น่าดูนั่นเองคําถามจะคุณพระสอนหากเราหลงไปยึดติดกับสิ่งหนึ่งอย่างมากมายและเราก็รู้ตัวว่าสิ่งนั้นไม่ดีไม่งามแต่ไม่ยอมปล่อยเพราะใจไม่ยอมปล่อยครับเราควรทําอย่างไรดีครับเพื่อให้ใจเราถอนออกมาจากสิ่งนั้นได้ครับก็ต้องมองให้เหมือนี่ก่าเราเห็นว่าเป็นงูพิษเนี่ยถ้าเราไปจับ งูแต่เราคิดว่าเป็นปลาไหลเราเห็นงูแต่คิดว่าเป็นปลาไหลเราก็จะจับโดยที่ไม่กลัวใช่ไหมแต่พอการมาบอก<โ> ift, ให้นี่งูเหาเ่าแล้วเวยพองูเห่านี่มปล่อยเลย <darum> อันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เราไปยึดไปติดเนี่ยมันจะกัดเราวันหนึ่งมันเป็นยาพิษมันเป็นของที่จะต้องเปลี่ยนจากจากดีกลายเป็นไม่ดี <c ough> จากการที่เคยรักเรามันอาจจะมาเกลียดเราก็ได้ให้คิดอย่างนี้เพราะเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน ต้องคิดอย่างนี้ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ช้าก็เร็วพอมันเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่ดีมันก็จะทําทให้เราต้องเสียออกเสียใจร้อ ง, องห่มร้องไห้หมดแล้วเละคําถามก็พอดีก็สมควรแก่เวลาสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้านในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด